10 นาทีต่อไปนี้ต่อไปนี้สํานักงานให้ 80 พรรษา 5 ธันวาคมพุทธศักราช 2550 รวมพลังไทยพลัง ร่วมเทิดทายองค์วรการปลายฟ้าฟ้าเป็นชื่อ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 ต่อไปนี้ขอ ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสร็จติดคุณมนต์ชีพศิวะสินากรหรือครู สำนักงานปปสกระทรวงยุติธรรมหมอกสลายที่ 25 และส่งชื่อชุมชนบ้านปลายฟ้าเข้ารับ ขอหมอกสลายที่ปลายฟ้าท่าน อย่ามัวเล่นกันจ้าเราต้องรื้อโรงเรียนด้านเนี้ยนะแล้ว เอาไปเป็นส่วนผสมของต้ม ไปยังไงกันเด็กๆชอบปลูกต้นไม้กันทั้งนั้นนั้นก็ต้องช่วยกันปลูกฝัง เอ่อเอางี้เดี๋ยวผมเดินไปถามให้ ไอ้โคตรที่เดิมมาทางนี้เป็นครูใหญ่ใช่มั้ย ไปออกโลดๆๆวะนะวะมีคน ไม่ใช่ไปถ่ายคลิปอะไรเหลวไหลอย่างที่ทุกวันนี้เขาทำกันไม่ไหว ขยายส่องยังมองไม่ค่อยออกท่านฉันยังไม่กล้า นี่สวัสดีค่ะเองค่ะอ๋ออยู่ค่ะค่ะพี่ขอบคุณหมออืมอ๋อได้ครับผมจะ ถ้าไม่นะเอ๊ะคุณปรัตดูซึมๆอืม แล้วปู่ยายของคุณนีก็สั่งว่าให้คุณนี อนามัยนี่ก็ได้นะคะๆเพื่อจะถามว่าเค้าเอ๊ะครูใหญ่ รถอยู่ข้างโรงเรียนผมเนี่ยอยู่ข้างโรงเรียนผมน่ะแล้วตอน 20ก ใครสวัสดีค่ะอนามัยบ้านปลายฟ้าค่ะขอโทษค่ะค่ะอนามัยอ๋อคุณกิมจู ให้ตอนนี้เขาว่าคุยอยู่กับเตียบอกนะค่ะเตียอยู่ที่หน้าบ้านแล้วล่ะกําลังโทรศัพท์คุยกับอากิมจูเตียอ่าสวัสดีค่ะลุงเสี้ยเรียก เออเออเอาอย่างงี้ต้องเป็นผู้ชายใช่มะไม่ไม่ไม่ใช่ฮัลโหล เดี๋ยวทําอะไรไม่ไว้หน้าฉัน กุมภาใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพ อยู่อยู่ได้ไงฉันนึกว่านายกลับไปซะแล้วแล้วนี่ครูดารณีเธอเอาละอย่าเพิ่งพูดเล่น ลักษณะน่าจะเป็นคันเดียวกับพี่มาจอดข้างรั้วนะ เออก็ดีมากที่บอกไปอย่างงั้นเธอบอกฉันเออ จำได้มั้ยที่นายเคยพูดว่าปลาใหญ่อาจจะ แต่เรื่องเนี้ย ทำไปเค้ากองตองๆนะอัจฉิวทํางานใหญ่แต่สนใจเรื่องปัดซื้อ ถ้าละรอว่าวัวเจ้าใจอย่างดีมาให้มีโม้ตายไล่ตอมเลยล่ะ คนน่ะสิรีบกลับละเตียหรือคิมจู หนีครับพูดกับพ่อหมายกําลังออกจากบ้านเสียจู ทุกคนให้เตรียมพร้อมอยู่นี้พอกับ คอยลูกกระจกทําไมวะอากังพอกําลังมองดูว่าไม่ใคร ไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยว่ะหลานยินไหนไอ้ Hei, hei, hei, kuuletko? Hei, hei, hei, kuuletko? ให้อภัยให้กรรมการผู้จัดการผู้บริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนผู้เลิกยาเสพติดถ้าเขามีโอกาสได้ รายอาทรพาธีพัฒนาผู้แสดงมีวรการเจริญดีต่อไปนี้อาทรภาธิภัตนะทินดาเกษิริเปรมกมลโชติกษัตริย์ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนัฐฐานอาสาควบคุมเสียงอาธร